เพราะฉะนั้นนายนักการก็เลยกราบทูลว่าชาวซีพทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าพระราชาทั้งหลายผู้บวชแล้วย่อมไปจากแว่นแคว้นโดยทางใดแม้พระเวสสันดรผู้มีวัดอันงดงามก็จงเสด็จไปทางนั้นได้ยินว่านักการนั้นถูกเทวดาดนใจจึงกล่าวอย่างนี้เนี่ยนะแต่ของเรานี่ก็ไม่รู้จะส้ทํำยังไงดีว่าเขาไล่เรานี้หละแต่ว่าคนให้ทานยังไงก็คิดแบบทานจนได้นะคือคนจะให้นะคิดจนได้ให้มางั้นเถอะ พระโพธิสัตว์พอได้ฟังอย่างนั้นก็เลยมีพระราชดำรัสว่าสาธุเออดีดี ด, ดนะีเราจะไปโดยทางที่ไปแห่งพระราชาทั้งหลายผู้รับโทษนะคืออ้าเรายอมรับว่าเรามีความผิดอย่างนั้นเถอะน่าจะให้ไปเราก็จะไปก็แต่ชาวเมืองทั้งหลายมีได้ขับไล่เราด้วยโทษอื่นนะนะขับไล่เราเพราะเราให้คดจสารเป็นทานเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะบริจาค สัตตสดกมหาทานสกราตรีหนึ่งคือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเราเนี่ยจะถูกไล่เพราะให้ทานใช่ไหมใไหนก็จะถูกไล่เพราะให้ทานแล้วจะขอบริจาคทานอ่าอย่างละเจ็ดร้อยเจดอย่างเนี่ยนะอย่างละเจ็ดร้อยเจดอย่างชาวเมืองจงให้โอกาสเพื่อเราให้ทานสักวันหนึ่งรุ่งขึ้นเราให้ทานและจัดไปในวันที่สมเนี่ยนะพรุ่งนี้ขอให้ทานอีกวันหนึ่ง วันที่สมเราจะไปแล้วก็จะไปโดยทางที่พระราชาทั้งหลายผู้ต้องโทษเสด็จไปท่านทั้งหลายจงงดโทษให้เราขึ้นสักคืนกับวันหนึ่งจนกว่าเราจะได้บริจาคทานก่อนนะนะพวกนายนักการได้ฟังอย่างนั้นก็กราบทูลว่าสาธุพระเจ้าค่ะนะพวกข้าพระบาทจะแจ้งเนื้อความนั้นแก่ชาวพระนครและพระราชาทูลอย่างนี้แล้วก็หลีกไปฝ่ายพระโพธิสัตว์นี้ส่งนักการไปแล้วจึงเรียกมหาเสนาคุดเข้ามาเฝ้า นะก็เสนาคูดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็พวกสหาชาติ6ก0 0 0่นั่นแหละเรียกมาสั่งว่ า, าให้ไปจัดสัตตะสดกมหาทานเนี่ยนะสัต 7, สตกะก็แปลว่าเจใช่ไหมสัตตะกาก็แปลว่าร้อยเนี่ยนะว่าพรุ่งนี้เราจะบริจาคสัตตะสดกมหาทานท่านทั้งหลายจงจัดช้างร้อยเชือกเนี่ยนะวันนี้ให้ช้างเชือกเดียวแล้วโกรธนะขอบริจาคเลยเจ็ดรอเชือกมา700รตัวรถอีก700รอคัน สตรีอีก700รอยคนเนี่ยนะโคนมอีกเจ0รอตัวทาดอีก700รอคนทาสีอีก700รคนจงตั้งไว้ซึ่งข้าวน้ำเป็นต้นมีประการต่างๆสิ่งทั้งปวงโดยที่สุดแม้แต่สุราซึ่งเป็นของไม่ควรให้ว่าไงเถอะคือไอ้ที่ให้ทานเนี่ยรู้ว่าให้เลาไม่ได้เป็นบุญเป็นอะไรหรอกเพียงแต่ว่าจะตัดคำบางอย่างออกไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วก็ส่งอัลหมาท่านให้ไปจัดการซะเนี่ยนะเตรียมของไว้เลยอย่างละเจดรเจอย่าง แล้วก็เสด็จพอสั่งงานแบบนั้นเสร็จก็เข้าไปในวังแต่พ่ะ อ, องค์เดียวนะก็ไปนั่งบนที่ประทับพระยี่ผู้อันเป็นสิริย์นะก็คือเตียงนั่งเตียงนอนพวกโชฟาทั้งหลายแหละก็เข้าไปนั่งภาษาสดาเมื่อจะประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพระเวสสันดรบรมกษัตริย์ตรัสเรียกพระนางมัตรีผู้มีงามทั่วสารพางังนั้นมาว่า น, นะก็มาสั่งแม่บ้านก่อนนะ เพราะว่าตัวเองจะถูกในประเทศแล้วก็สังเสียลูกเมียซะก่อนกล่าวว่าพัสดุอันใดอันหนึ่งที่ฉันให้เธอพัสดุก็คือข้าวของทั้งหลายที่ฉันให้เธอนะทั้งทรัพย์อันประกอบด้วยสิริเงินทองมุกดาไพฑูนมีอยู่มากและสิ่งใดที่เธอนำมาแต่พระชนกของเธอนะนะเธอได้สิ่งใดมาจากพ่อของเธอบ้างเธอจงเก็บสิ่งนั้นเอาไว้ให้หมดเห็นไหมแต่ว่ารวบรวมสมบัติของเธอนะที่มีอยู่เนะี่ยเก็บเก็บให้หมดเลยนะ ทีนี้ทนางมัตสีราชบุตรีเนี่ยนะผู้งามทั่วกายก็ทูลถามว่าข้าแต่สมมุติเทพจะโปรดให้เก็บทรัพย์นั้นอนะ่ะเอาไว้ที่ไหนพระองค์รับสั่งแก่ห ม, ม่มชั้นผู้ถามให้ทราบคืองงอ่ะนะว่าสามีเราไม่เคยพูดคํานี้มาเลยว่าเธอจงเก็บทรัพย์ตลอดการประมาณเท่านี้เนี่ยนะปกติก็ไม่เคยสั่งให้เก็บข้าวเก็บผองเก็บอะไรเลย แต่คราวนี้พระ อ, องค์ตรัสจับทูลถามเหตุนั้นว่าจะให้เก็บในที่ไหนนางก็เลยถามอย่างนั้นนะนะพระเวสสันดรก็บอกว่าดูก่อนพระนางมัตสีเธอจงบริจาคทานในท่านผู้มีศีลทั้งหลายนึกว่ารวบรวมแล้วก็เก็บเอาไว้เข้าคลังนั่นไม่ใช่ก็บอกว่าของทั้งหมดที่ฉันเคยให้เธอเธอเอาของทั้งหมดที่มาจากพ่อของเธอให้มานะเธอเก็บเอาไว้ในท่านผู้มีศีลแบนั้น เพราะที่พึ่งของสัตว์ทั้งปวงยิ่งกว่าทานการบริจาคไม่มีนะจะเอาไปทำอะไรยิ่งกว่าทานไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ทำบุญไปให้หมดเหมือนกันที่อธิบายว่าบทว่าทัชเชหิติเนี่ยนะความว่านี่ยพน้องมัสสีผู้เจริญเธออย่าได้เก็บทรับไว้ในที่พระขังเป็นต้นเมื่อจะเก็บ เป็นขุมทรัพย์ที่จะติดตามตัวไปพึ่งถวายในท่านผู้มีศีลทั้งหลายในแว่นแควนของเราบทว่านหิธานาปรังความว่าขึ้นชื่อว่าที่พึ่งอาศัยยิ่งไปกว่าทานย่อมไม่มีเนี่ยนะทีนี้พระนางมัสสีก็รับพระราชดำรัสว่าสาธุเนี่ยนะดีแล้วว่างั้นครั้งนั้นพระบรมโพธิสัตว์เมื่อจะประทานพระราโชวาทแก่พระนางมัสีให้ยิ่งขึ้นไปอนนะหนึ่งนะ ข้แรกก็บอกว่าให้ให้ทานให้หมดเลยข้อสองอว่าดูก่อนน้องมัสซีเธอจงเอ็นดูในพระโอรสและทิดากับพระสัสุและพระสุสระเนี่ยนะก็บอกว่าจงให้กรุณานะจงทรงสารเอ็นดูในลูกชายลูกสาวในพ่อผัวแม่ผัวกษัตริย์ใดเนี่ยนะก็แนะนำต่อไปว่ากษัตริย์ใดมาสำคัญว่าจะเป็นพระดาคือสามีเธอ เธอจงบำรุงกษัตริย์นั้นโดยเคารพเนี่ยนะถ้าใครจะมาเอาเธอเป็นเมียนะให้เธอดูแลเขาให้ดีนะว่า ง, งั้นให้เคารพเขานะแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครสําคัญเธอว่าจะเป็นภัสดาคือไม่มีใครมาเอาเธอเป็นเมียเลยว่า ง, งั้นเถอะเพราะเธอไม่ได้อยู่กับฉันเธอจงสแสวงหาภัสดาคือสามีอื่นเธออย่าลําบากเพราะพราดาดจากฉันเลยเนี่ยนะหมายความว่าถึงฉันจะไปนะก็ก็จะไปแต่ตัวว่างั้นแต่ นางนี่ไม่ทันรู้ตัวว่ามันเรื่องอะไรเลยนะเนี่ยอยู่ๆแล้วก็มาบอกว่าถ้าใครมาเอาเธอไปเป็นเมียนะให้เธอดูแลเขาให้ดีถ้าไม่มีใครเอาเธอนะเธอก็สแสวงหาเอาเธอก็แล้วกันเธ อ, อยังเงาหงออยู่แต่เพียงผู้เดียวเลยแบบนั้นงงไว้มายังไงวะนี่ยนะซึ่งอธิบายว่าน่นางผู้เจริญเมื่อฉันไปแล้วกษัตริย์ใดมาสําคัญว่าเราจะเป็นภระดาของเธอเธอพึงบำรุงกษัตริย์นั้นแม้โดยเคารพ บทว่ามายาวิปปะวะเสนเตความว่าถ้าใครๆไม่พึงสำคัญเธอว่าเราจะเป็นพัสดาของเธอเพราะเธอไม่ได้อยู่กับฉันเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจงสแสวงหาพัสดาอื่นด้วยตนนั่นเองแลทีนี้ฝ่ายพนางมัต ส, สีก็เลยคีดว่าพระเวสสันดรผู้พัสดานี่นะพัสดามายถึงสามีนะตรัสพระวาจาเห็นปานี้ เหตุเนี่ยเป็นอย่างไรเนาคือยังไม่รู้ขาา่าวไปยังไงมายังไงก็เลยกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทศพระองค์นี้ตรัสพระวาจาอันไม่สมควรจะตรัสเช่นนี้เพราะเหตุไรเนนะีลำดับนั้นพระเวสสันดรจึงตรัสตอบพระนางว่าแหะพ่พาน้องมัสีผู้เจริญชาวซีพีเนี่ยนะขัดเคืองเพราะฉันเนี่ยให้ช้างจึงขับไล่ฉันเนี่ยจากแว่นแควนพรุ่งนี้ฉันจะให้ศัสดกมหาฐาน จากออกจากพระนครในวันที่สอย่างนี้แล้วก็ตรัสว่าฉันจะไปในป่าที่น่ากลัวประกอบด้วยพานมรึกเนี่ยนะที่ที่ฉันจะไปเนี่ยมันมีช้างมีเสือเยอะฉันจะอยู่ผู้เดียวในป่ามีชีวิตที่น่าสงสัยอธิบายว่าเมื่อฉันผู้สุขุมาลชาิโดยส่วนเดียวอยู่ในป่าที่มีศัตรูไม่น้อยชีวิตจะอยู่ได้แต่ไหนฉันจะยอมตายเสียเป็นแน่เนี่ยนะคือ ถ้าฉันไปอยู่ที่นั่นก็มีแต่ช่างมีแต่เสือนี่นะศัตรูเยอะแยะไปหมดสงสัยฉันจะตายเหมือนกันพอพระเวสสันดรตรัสอย่างนี้แล้วพระราชบุตรีพระนามว่ามัต ส, สีผู้งามทั่วสารพางก็ได้กราบทูลถามพระเวสสันดรว่าพระองค์ตรัสพระวาจาซึ่งไม่เคยมีหนอพระวาจาชั่วแท้โอ๊ยทําไมมาพูดกันขนาดนี้เหมือนกันคํานี้ใช้ไม่ได้เหมือนกันข้าแต่พระมหาราชเจ้า พระองค์เสด็จไปแต่พระองค์เดียวไม่สมควรนนะแม่หม่อมชันก็จักโดยเสด็จด้วยความตายกับด้วยพระองค์หรือความพลาคจากพระองค์เป็นอยู่สองอย่างนี้ตายนั่นแหลประเสริฐกว่าพลาดพลาคจากพระองค์เนี่ยเป็นอยู่จะประเสริฐอะไรเนี่ยนะคือถ้าถ้าตายกับจากก็คงเลือกตายฟังกัน อันที่จริงตายมันก็จากอีกวิธีหนึ่งใช่ไมมันจะไปต่างอะไรจากจากละ่ะแล้วก็กล่าวใจต่อไปว่าก่อไฟให้ลูกโพรงมีเปลวเปน็นอันเดียวกันแล้วตายเสียในไฟนั้นประเสริฐกว่าพระจากพระองค์ได้จะประเสริฐอะไรนางช้างพังไปตามช้างพลายเนี่ยนะก็อุปมาว่าช้างตัวเมียติดตามช้างตัวผู้เนี่ยนะประเสริฐอยู่ในปา่า เที่ยวไปอยู่ตามภูผาทางกันดานสถานที่เสมอแลไม่เสมอฉันใดหม่อมชั้นจะพาบุตรและบุตรีตามไปเบื้องหลังฉะนั้นหม่อมฉันจะเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายของพระองค์จะไม่เป็นผู้ที่เลี้ยงยากสําหรับพระองค์คือยังไงจะขอติดตามไปนะจะไม่ให้ความลําบากจะไม่ไปทําตัวให้เลี้ยงยากมันไม่อะไรสักอย่างอะนะยังไงก็ขอให้ได้ไปด้วยกันแล้วกันอย่างนั้นสรุปว่าจะไปด้วยกันอย่างนั้นเถอะเห็นไหม พระนางมัสซีราชกัญญากราบทูลพระภัสดาอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงพนานนาถึงหิมวันตะประเทศปะหนึ่งว่าได้เคยทอดพระเนตรเห็นมาแล้วก็กล่าวต่อไปคื อ, อการ น, นี้เขาเรียกว่าหิมวันตะการหิมวันตาก็แปลว่าป่าหิมพานเนี่ยนะก็คือพระนางมัสซีเนี่ยพูดถึงป่าหิมพานปานปหนึ่งเคยไปเห็นแปลว่าไม่เคยไปหรอกเนี่ยนะแต่ว่า ไม่ทราบด้วยอะไรเนี่ยนะก็พูดถึงว่าเคยเหมือนเคยอยู่ป่ามาอย่างดีมาแล้วก็เล่าว่าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นกุมารทั้งสองนี้ผู้มีเสียงอันไพเราะผู้จาน่ารักนั่งอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าเล่นอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าจักไม่ทรงละลึกถึงราชสมบัติคือคนที่พลาดพลาดจากของรักเนี่ยนะโดยเฉพาะ ผู้ที่มีราชสมบัติก็ถือว่ามีของรักเป็นอย่างดีทีนี้ถ้าจะต้องจากราชสมบัติก็คงจะเป็นวิปรโยคทุกข์มันคงมา ก, ก น, นะแต่ว่าถ้าไปอยู่ในป่าอย่างนี้ไปเห็นลูกนะเห็นลูกน้อยๆมันเล่นกันนั่งอยู่ที่พุ่มไม้ก็โอ้เลิกคิดถึงพระราชสมบัติใช่ไหมวิปรโยคทุกข์ก็จะไม่เกิดเหมือนกนะก็แสดงว่าฉลาดในการพูดให้ให้คลายกังวลมา ก, ก น, นะเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองนี้ ผู้มีเสียงไพเราะพูดจาน่ารักเล่นอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าจักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองนี้ผู้มีเสียงไพเราะพูดจาน่ารักที่อาสม ร, รัมณียสถานจักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเนี่ยนะก็พูดถึงบรรยากาศว่าเราไปอยู่ในบรรณาศาลาหรือว่าอาสมเนี่ยนะที่อบมีเสียงเด็กมีอะไรเนี่ยนะ ก็นึกให้มันง่ายก็นึกถึงรีสอร์ทผู้การกันแล้วกันเนี่ยนะถ้าไปอยู่สภาพแบบนั้นก็มีเด็กวิ่งเล่นใช่ไหมลูกเราก็วิ่งเล่นไปแม่ก็ชี้ให้ดูเราก็ไม่ต้องไปทุกอะไรมากใช่ไหมที่จากกรราชสมบัติอย่างเงี้ยนะเมื่อพระ อ, องค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองผู้นี้มีเสียงไพเราะพูดจาน่ารักเล่นอยู่ที่อาสมรมณียสถานจักไม่ทรงละลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระ อ, องค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองนี้ทรงมาลาประดับ พระองค์ณอาสมรมณียสถานจากไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพระโกมารทั้งสองนี้ทรงพวงมาลาประดับพระองค์เล่นอยู่ณอาสมที่รื่นรมจกไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ น, นะนะก็คือหมายก็ว่าถ้าเราไปอยู่ด้วยกันนะก็แม่ลูกสองคนเนี่ยนะสมคนเท่ากับสี่คนพ่อแม่ลูกอีกสองเนี่ยนะก็เห็นเด็กมันวิ่งเล่นประดับประดาตกแต่งเนี่ยนะ พระองค์ก็ไม่ต้องคิดถึงราชสมบัติแล้วเนี่ยนะเมื่อใดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นกุลชรชาติมาตังค์้าอายุล่วง60สปีเที่ยวอยู่ในป่าตัวเดียวเมื่อนั้นจะทรงระลึกถึงราชสมบัติเนี่ยนะเมื่อใดพระองค์เนี่ยทอดพระเนตรเห็นกุลชรชาติมาตังคะมีวัยล่วง60สปีเที่ยวไปในเวลาเย็นเวลาเช้าเมื่อนั้นจะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติหมายความว่าเพลินกับการดูช้างเลยลืมเมืองแบบนั้น เมื่อใดกุณชรชาติมาตังคะมีวัยหกสิบปีเดินนําหน้าโครงช้างผังไปเนี่ยนะส่งเสียงร้องกึกก้องโกนเจนาพระองค์ได้สดับเสียงร้องของช้างที่บรรลือกึกก้องอยู่นั้นเมื่อนั้นจะไม่ละลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ผู้พระราชทานความใคร่แก่หม่อมชันคือหมายถึงว่าข้าวของทุกอย่างที่น่าชอบใจเนี่ยพระองค์ให้หม่อมชันทอดพระเนตรเห็น ชดาดไพยเป็นหมู่ไม้ทั้งสองข้างมัคคะอันเกลื่อนกล่นไปด้วยพานมรึกเมื่อ น, นั้นจะไม่ระเลึกถึงราชสมบัติก็เห็นพวกช้างพวกเสือก็เลยเพลินกับดูช้างดูเสือเลยลืมถึงนึกถึงบ้านเมืองเนี่ยนะพระ อ, องค์นี้จากทอดพระเนตรเห็นมรึกผู้มาเป็นแ ถ, แถวแถวแถวละห้าตัวและเหล่ากินนอนผู้ฟ้อนอยู่ในเวลาเย็นก็จักไม่ทรงระเลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใดพระองค์ได้ฟังเสียงกึกก้องแห่งกระแสในแม่น้ําไหลและเสียงขับร้องแห่งฝูงกินนอนเมื่อนั้นพระองค์จักระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ทรงสดับเสียงร้องของนกเขาที่เที่ยวอยู่ในซอกเขาเมื่อนั้นพระองค์จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติในนกเขานี่มันมันน่าจะคิดถึงราชสมบัติเร็วขึ้นใช่ไหมนกเขากับนกฮูกมันคล้ายๆกันไม่จากนิดนิดตระกูลเดียวกันนะนกเขาต า, ตาโตหน่อยนะ เสียงร้องทีตะดุ้งเลยนะคิดถึงบ้านเลยเมื่อใดพระองค์จะได้สดับเสียงแห่งสัตว์ร้ายในป่าคือราชสีเสือโคร่งแรดโคลานเมื่อนั้นก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูงผู้ปกคลุมด้วยแพนเนี่ยนะหางคือแผนหางจับอยู่ที่ยอดเขาเกลื่อนไปด้วยนางนกยูงทั้งหลายรําแพนอยู่เมื่อนั้นจักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยุงผู้เกลื่อนไปด้วยฝูงนกยูงมีแผ่นหางอันวิจิตรรำพนอยู่เมื่อนั้นก็จะไม่ทรงระเลิกถึงราชสมบัติเนี่ยนะบรรยากาศแบบนี้ถ้าใครไปดูก็ไปเดินข้างหลังวัดอุโมงค์กันนะก็ไปจะมีมีกรงนกยุงอยู่ตั้งหลายตัวนะเวลาไปดูก็จะได้นึกถึงเออพระเวสสันดรชา ด, ดกเขก็เป็นแบบนี้นะเห <c oughs> มือนกันเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยุงเนี่ยนะมีขนคอสีเขียว มีงอนเนี่ยเกลื่อนไปด้วยฝูงนางนกยุงเนี่ยนะรำแพ่นอยู่เมื่อนั้นก็จะไม่ระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระ อ, องค์ทอดพระเนตรเห็นเหล่าพฤกษชาติอันบานแล้วส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปในเหอมันตรุดูและพื้นดินเนี่ยเคี้ยวโฉมคลุมไปด้วยแมลงค่ ม, อมทองในเดือนเหอมันเมื่อนั้นจะไม่ระลึกถึงราชสมบัติแสดงว่าแปรเป็นนักชมนกชมไม้เลยนะไปดูไม้ก็โน่นพันโน่นพันนี่ก็เพลิดเพลินไปกลางกระดูไม้เลย เมื่อใดพระ อ, องค์ได้ทอดพระเนตรเห็นรุกชาติอันมีดอกบานสพรั่งคืออันชันเขียวที่กําลังผลิยอดอ่อนต้นโลดบัวบกเนี่ยนะมีดอกบานสพรั่งส่งกลิ่นหอมฟุ้งในฤดูเหมันเมื่อนั้นก็จะไม่ละลึกถึงราชสมบัติเนี่ยนะเมื่อใดพระ อ, องค์ได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่ไม้มีดอกบานสพรั่งและปฐุมชาติมีดอกร่วงหล่นในเดือนฤดูเหมันเมื่อนั้นก็จะไม่ละลึกถึงราชสมบัติอันนะ อะที่พูดทั้งหมดเนี่ยพระนางมัสซีไม่เคยไปเห็นหรอกแต่ว่าเล่าปลอบใจสามีที่จะถูกไล่ออกจากบ้านจากเมืองเนี่ยนะก็ให้กําลังใจกันไปนะเราจะไปอยู่ด้วยกันนะเนี่ยนะจะไปชมนกชมไม้อยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องไปรํำพึงรําพันคิดถึงราชสมบัติอะไ ร, รหรอกหนอกนะํานวนท่านบอกว่าพระนางมัซซีเนี่ยพนานนาถึงหิมวันแต่ประเทศด้วยคาถามีประมาณเท่านี้ประหนึ่งเมื่อเคยประทับอยู่ในป่าหิมพานแล้วฉะนั้นด้วยประการชนนี้อันนี้ก็จบกันที่ ที่สองเนี่ยนะเขาเรียกว่าหิมะวันตะกันเนี่ยนะกันว่าด้วยไปอยู่ป่าหิมพานแต่ว่ายังไม่ทันได้ไปนะแต่ว่าเล่ากันก่อนว่าเราจะไปอยู่บรรยากาศแบบนั้นแบบนั้นนะเนี่ยนะคล้ายๆกับพวกคนกรุงเทพก็ว่าเออเราจะไปเช่ารีสอร์ทที่ไหนอยู่นะตรงไหนที่มันมีน้ําไหลมีซอกหินมีอะไรก็ว่ากันไปนะที่จริงก็ปรึกษากันอยู่บ้านนั่นแหละยังไม่ทันได้ไปหรอก <c oughs> ไม่ได้พูดใ้พวกกนันนะแตมันนึกภาพง่ายดี ราะว่าไอ้ปากเขาวงกฏกับที่เนี่ยแถวแถวเชียงใหม่เรานี่ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนดีนะทีนี้พนางผู้สดีราชเทวีเนี่ยนะผู้ผู้สดีเนี่ยใครพนางผู้สดีอ๋อที่เล่าตอนเช้าเอ้าทางนั้นของมาจะถามทำอะไรอีกนั้นก็แม่นะแม่พระเบสันดอน ทีนี้ผานางผู้เสด็ราชเทวีก็เลยคิดว่าข่าวเดือดร้อนมาถึงลูกของเราลูกของเรานี่จะทําอย่างไรเนาเราจะไปให้รู้ความจึงเสด็จไปด้วยศีวิกาการจะนะเนี่ยนะม่านเนี่ยปกปิดประทับที่ทวารห้องบรรทมอันมีสิริเนี่ยนะศีวิกาการจะนะเนี่ยนะก็คือคืออะไรศีวิกาการชนะก็เฉลียงหามใช่ไหมนั่งนั่งเฉลียงหามเนี่ยไปเนี่ยนะ ฉเฉลียงหามเนี่ยประดับตกแต่งแบบทองซะส่วนใหญ่นะเขาเรียกว่าศีวิกาการชนะการชนะแปลว่าทองเนี่ยีวิกาก็คือฉเฉลียงหามไปเนี่ยนะ <c oughs> ที่มีม่านปกปิดที่นี่ไปพอดีกําลังได้ยินลูกลูกตัวกับลูกสะใยเนี่ยสนทนากันพอดีเลยเนี่ยนะฝังสองกษัตริย์พูดอย่างนั้นก็เลยร้องไห้ขาควรอย่างน่าสงสารไปเลยเนี่ยนะแม่ก็ร้องไห้ไปเลยว่า พนางพู้เสด็ราชบุตรีพระเจ้ามัทราชผู้ทรงยศได้สดับพระราชโอรสและพระสุนิสาทั้งสองปริเทวนาการก็พลอยคร่ำครวญและห้อยให้ว่าเนี่ยนะก็ไปร้องให้เลยนะก็ในเรื่องนี้จะมีอะไรสำปโยกทุกวิปโยคทุกนี่แหละปกติทุกเนี่ยมันมีอะไรนะทุกอาริยศาสตร์ใช่ไหมชาติพิทุกขาเกิดก็เป็นทุกชราก็เป็นทุกมรณมก็ประกอบเป็นทุกนะตายก็ทุกอะโศกก็ทุกปริเทวะก็ทุก ทุกกายก็ทุกทุกใจก็ทุกเหมือนกันแล้วก็ทุกเพราะความคับแค้นใจก็ทุกทุกเพราะพัดพลาดจากของรักก็ทุกเนี่ยนะพัดพลาดจากของรักประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็ทุกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าฟังให้ดีก็จะมีกลัโดยมากประกาศทุกข้าริยาสัตว์ซะส่วนใหญ่ว่าเออนี่นะทุกว่าจะจากแต่จริงยังไม่ทันได้จากหรอกแต่รู้ว่ากําลังจะจากก็ทุกก่อนว่าเออเราจะจากนะเนี่ยนะเขาเรียกว่า นนวิปโยคทุกเนี่ยนะยังไม่ทันวิปโยคแต่รู้ว่าจะวิปโยคคือการพลัดพรากก็เลยทุกก่อนพรากเหมงอนกันเถอะที่จริงการพลัดพรากมันตัวมันเองไม่ได้ทุกอะไรหรอกแต่ว่ามันทุกก่อนจะพลัดพรากเนี่ยนะก็เลยไปร้องให้นะนะคร่ำครวญว่าโอ้เรานี่ไปกินยาพิษให้มันตายซะยังจะดีกว่าเามือนแม่เนี่ยนะมาจะขอจะขอตายอย่างเดียวเลยนะไปโดดเหวให้เสียตายซะยังจะดีกว่าเหงือน เอาเชือกผูกคอตายซะยังจะดีกว่านะไปถึงก็จะขอตายอย่างเดียวเลยนะยังไงก็ตายอยู่แล้วนะจึองอาจจะช้าเร็วหน่อยนะเหตุฉนชาวซีพีจึงให้ขับลูกเวสันดรผู้ไม่มีความผิดเหตุฉนัย ช, ชาวซีพีจึงให้ขับไล่เจ้าเวสันดรลูกรักผู้ไม่มีโทษไม่ผิดผู้รู้ตรายเพศเป็นฐานบดีควรแก่การขอไม่ตนี คนดีขนาดนี้ทำไมชาวบ้านชาวเมืองจึงให้ไล่นี้อีกเหมกันเหตุไฉ น, นชาวนครซีพีเนี่ยจึงจะให้ขับไล่เจ้าเวสันดรลูกรักผู้ไม่มีโทษผิดอันพระราชาต่างด้าวทั้งหลายบูชาเป็นผู้มีเกียรติเนี่ยนะว่าคนดีขนาดนี้ทำไมต้องต้อ ง, องให้ไล่ด้วยเหตุไฉ น, นชาวซีพีจึงให้ขับไล่ลูกเวสันดรผู้ไม่มีความผิดผู้เลี้ยงดูบิดามารดา ประพฤติถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในราชสกุลเหตุฉนยัยชาวซีพีจึงได้ขับไล่ลูกเวสันดรผู้ไม่มีความผิดผู้เกื้อกูลต่อพระเจ้าแผ่นดินแก่เทพพระเจ้าแก่พระประยุรยา่าแก่พระสหายเกื้อกูลทั่วแว่นแคว้นเหตุฉนจึงให้ขับไล่ลูกเวสันดรผู้ไม่มีความผิดเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคำํำคร่ําครวญร้องหม่มร้องให้ของพนางผู้เสด็ผู้เป็นแม่เนี่ยนะ พนามผู้เสด็ก็ครั่มครวญอย่างน่าสงสารด้วยชนีแล้วก็ปลอบพระโอรสและพระศรีสะพายศรีเนี่ยก็มาจากคําว่าศริเนี่ยนะสะพายผู้ทรงศริวังนั้นให้อุ่นพระไทยที่จริงสะพายก็ไม่ใช่ที่ไหนก็หลานตัวนัว่นแหละก็เลยเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าสัรชัยแหะเนี่ยนะกราบทูลว่าชาวศรีเนี่ยให้ขับไล่พระราชโอรสผู้ไม่มีความผิดรัฐมนตรีของพระองค์จกเป็นเหมือน รังพึ่งร้างเหมือนผลมะม่วงลงบนพื้นดินฉะนั้นนะก็ค้าว่ารวงพึ่งเนี่ยมันจะร้างจากตัวแล้วว่างั้นพระองค์อันมหมู่เสวิกามาบละทิ้งแล้วจักต้องลำบากเพราะอยู่พระองค์เดียวเหมือนหงซึ่งมีขนปีกหลุดร่วงแล้วก็จักลำบากอยู่ในเปลือกตมอันไม่มีน้ําฉะนั้นนะก็คิดถึงทุกข์ของลูกที่ลูกจะไปอยู่นะ ข้าแต่พระมหาราชเจ้าเพราะเหตุนั้นหม่อมชันจึงขอกราบทูลพระองค์ว่าประโยชน์อย่าได้ล่วงเลยพระองค์ไปเสียเลยนะนะก็อย่าอย่าปล่อยให้ประโยชน์ผ่านเลยไ ป, ปเปล่าๆนะขอพระองค์อย่าทรงขับไล่พระราชโอรสผู้ไม่มีความผิดตามคำของชาวซีพีเลยว่างั้นซึ่งอธิบายว่าพระนางพู้เสดีแสดงว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพเมื่อขับไล่ลูกของเราไปอย่างนี้แล้ว แว่นแคว้นของพระองค์ก็จักสาธารณะแก่คนทั่วไปเนี่ยนะครั้งนี้ต่อไปเนี่ยนะบ้านเมืองนี้ก็จะไม่มีผู้สืบสันตติวงศ์แล้วนะว่างั้นพระเจ้าสัรชัยพอฟังอย่างนี้เข้าก็บอกว่าเมื่อเราขับไล่ลูกรักผู้เป็นเหมือนกับธงชัยของชาวซีพีก็ทำโดยเคารพต่อขัตยราชประเพณีธรรมะของโบราณเนี่ยนะเรียกว่าเป็นประเพณีธรรมของเมืองนี้ว่างั้นเพราะฉะนั้นถึงลูก จะเป็นที่รักกว่าชีวิตของเราเราก็จะต้องขับไล่เห็นไหมเรียกว่าอ้างเคารพอะไรถ้าสมัยนี้เคารพกฎหมายใช่ไหมนี่ก็เหมือนเคารพประเพณีของบ้านเมืองว่าบ้านเมืองเขามีประเพณีอย่างนี้ถ้ากษัตริย์องค์ไหนมีความผิดต้องไล่ให้หนีไปอยู่เขาวงกฏเหมือนกันซึ่งอธิบายว่าแน่พน้องผู้สิรผู้เจริญเมื่อฉันขับไล่คือในประเทศลูกพระเวสสันดรซึ่งเป็นธงชัยของชาวซีพี ก็ทำโดยเคารพยําเกรงต่อขัตยราชประเพณีธรรมของโบราณในสีพิรัตเพราะฉะนั้นถึงแม้ลูกพระเวสสันดรจะเป็นที่รักกว่าชีวิตของฉันถึงอย่างนั้นฉันก็ต้องขับไล่นะนะรักมากยังไงก็ทิ้งประเพณีไม่ได้หรอก <c oughs> พระนางพุ้เสด็ราชเทวีพอได้ฟังอย่างนั้นก็ ค, คร่ําครวญรำพันว่าในการก่อนๆ น, นะเหล่าทหารถือธงและเหล่าทหารม้าเป็นต้นราวกระดอกกันนิกาอันบานแลว้ว และราวกับป่าดอกกัิกาไปตามเสด็จพ่อพระเวสสันดรผู้เสด็จไปในไหนวันนี้พ่อจะไปแต่พระองค์เดียวเนี่ยนะก็นึกถึงลูกเวลาไปไหนก็มีบริวารใช่ไหมมีทหารห่อล้อมหน้าล้อมหลังมีผู้ต้อนรับรับเสด็จเยอะแยะไปหมดอ้าวตอนนี้จะไปคนเดียวแล้วงั้นเถอะเหล่าราชบุรุษผู้หอมผ้ากัมพลเหลืองมาแต่แคว้นคันธรัตน์มี แสงสีดุดแมลงค่อมทองตามเสด็จไปในไหนวันนี้พ่อจะเสด็จไปแต่พระองค์เดียวแต่ก่อนพ่อเคยเสด็จไปด้วยช้างพระที่นั่งพระวอหรือพระรถที่นั่งวันนี้จะต้องเสด็จไปด้วยพระบาทอย่างไรได้เนี่ยนะก็ น, นึกถึงความทุกข์ของลูกกันนะเลี้ยงลูกมาอย่างดีไม่เคยทุกข์ยากลําบากเสร็จแล้วก็จะปล่อยให้ลูกไปอย่างนี้โอ้ลูกจะทุกข์ขนาดไหนเนาะเหมือนกันนะพ่อมีพระกายรูปลายด้วยแก่นจันท์อันเจ้าพนักงานปลุกให้ตื่นบรรทมด้วย ฟ้านรำขับร้องจะต้องทรงหนังเสืออันหยาบครุขระและถือเสียมหอบคอนเครื่องบริขารแห่งดาบ ท, ทุกอย่างไปเองอย่างไรได้ไม่มีใครนําผ้ากาสาวะและหนังเสือไปเมื่อพ่อเสด็จไปสู่ป่าใหญ่ใครจะช่วยแต่งพระองค์ด้วยภาพเปลือกไม้นะประหงคนแต่งตัว อ, อีกจะไปอยู่แล้วใครจะแต่งตัวให้เหมือนกันก็ไม่มีนะเพราะเตรัยขัติยะบรนประชิต ท, ทั้งหลายจะทรงภาพเปลือกไม้ได้อย่างไรหนอ ทีนี้แม่มัซีเนี่ยนะก็ห่วงลูกสะพ้ยอีกห่วงลูกเสร็จก็ไปห่วงสะพ้ยต่อว่านี่แม่มัซีจะนุ่งห่มผ้าคากรองกระไรได้ผ้าคากรองก็คือเอาผ้าพับเปลือกไม้นะเปลือกไม้มาถักถักถักแล้วก็มานุ่งเอ้ลูกสะพ้ยเราจะไปนุ่งอย่างนั้นได้ยังไงแม่มะสีเคยทรงภูษามาแต่แควนกาสีและโขมพัดและกโกธุมพรพัดเนี่ยนะบัดนี้จะทรงผ้าคากรองเนี่ยจะทําอย่างไรแม่มะสีเคยเสด็จไปในไหนด้วยศิวิกาการชะนะ คานถามและรถพระที่นั่งวันนี้แม่ผู้มีพระวรกายหาที่ตีม่ได้จะต้องดําเนินไปตามวิถีด้วยพระบาทแม่มสีผู้มีฝ่าพระหัตและฝ่าพระบาทอ่ อ, อนมักมีพระหารไทยวันขวัญอ่อนสถิตอยู่ในความสุขสเสด็จไปข้างไหนก็จะต้องสวมฉลองพระบาทวันนี้แม่ผู้มีอวัยวะงามจะต้องดําเนินสู่วิถีชีวิตเนี่ยนะคือดําเนินไปด้วยพระบาทเปล่าแม่จ ะ, สะเสด็จ ไปไหนเคยมีสตรีนับด้วยพันนางเนี่ยนะนำเป็นแถวไปข้างหน้าวันนี้แม่ผู้มีโฉมงามจะต้องเสด็จไปสู่ราวใครแต่พระองค์เดียวเนี่ยนะก็นึกถึงภาพบรรยากาศที่เคยอยู่ในวังกับจะต้องไปอยู่ในป่าเนี่ยโอ้ยนึกไม่ออกเลยนะมันลูกกรรษัตริย์ด้วยนะที่เลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีเนี่ยทีนี้แม่มัสีได้ยินเสียงสุนัขในป่าก็าจะต้องสะดุ้งตกใจพระหฤทัยเนี่ยก่อนทันทีหรือได้ยินเสียงนกเขา อ, อินทโคตรแือนั้น ร้องอยู่ก็จะต้องสะดุ้งกลัวเนี่ยองค์สัน่นดุดแม่มดสันอยู่ฉะนั้นโอ้ยไปอยู่ในป่าเนี่ยนะไปได้ยินเสียงนกเสียงอะไรร้องใส่ตกใจตัวสันหมดเลยมั่งเนี่ยนะวันนี้แม่ผู้มีรูปงามผู้เป็นผู้ขาดไปสู่แนวป่าตัวแม่เองเนี่ยจับหมกไหม้ด้วยความทุกข์นานเพราะอาศัยวังนี้ ว, นะนะว่างเปล่าจากลูกรักทีนี้ก็พูดถึงตัวเองมั่งนะตัวเองถ้ามาเยี่ยมวังลูกวังหลานนะ มาแล้วไม่มีลูกมีหลานอยู่เลยมันจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยนะปกติเข้ามาแล้วจะต้องเห็นลูกเห็นหลานเห็นสะพ้ายเห็นอะไรใช่ไหมมาครั้งนี้ถ้ามาเจอวังเปล่าแล้วจะทจําใจยังไงวะเนี่ยเนี่ยนะแม่นี่ก็ที่จริงแล้วนะว่าไปทั้งหมดเนี่อรักลูกจริงหรือว่ารักตัวเองเนี่ยนะว่าไปให้ตรงๆรงกันนะอ่านะที่ทุกข์เนี่ยออลูกของเราก็จะจากนะสะพายก็จะไปทีนี้ถ้าเรามาเที่ยววังแล้วก็โดดเดี่ยวเงาหงายแล้วกันนี้ใครทุกขากันกันนี้ฉันนั่นแหละทุกข์เพราะไม่ได้เจออีกแล้วเหมือนกัน ก็บอกว่าตัวแม่เนี่ยจะหมกไม่ด้วยความทุกข์นานเพราะอาศัยวังเนี้ยว่างเปล่าจากลูกรักตัวแม่แลไม่เห็นลูกก็จะ้อมเหลืองเล่นไปในที่นั้นๆเปรียบเหมือนนางนกเขาเนี่ยนะมีลูกถูกเบียดเบียนแล้วเห็นแต่รังเปล่าหรือเปรียบเหมือนนางนกจากพากตกอยู่ในเปลือกตมไม่มีน้ำฉะนั้นเนี่ยนะก็ตูพูดถึงทุกข์ของตัวเองที่อยู่ในวังโดดเดียวที่ไร้ลูกไร้หลานเนี่ยนะ เมื่อมอมฉันพิราบอยู่อย่างนี้ถ้าพระองค์ยังจะขับไล่พระราชโอรสผู้ไม่มีความผิดนั้นเสียจากแว่นเควนมอมฉันจะต้องสละชีวิตเสียเป็นแน่อันนี้ก็เป็นคำอดอ้อนของพนางพูสุดดีที่มีต่อพระเจ้าสัรชัยเนี่ยนะะว่าเ อ, อคือสรุปว่าอย่าไล่ลูกไปเลยนะเหอนันเถอะอันนี้ทั้งหมดเอาเหตุผลมาอ้างหนึ่งนะลูกพระเวสสันดรท่านไปอยู่ป่าแล้วจะทุกข์สองลูกสะพยไปอยู่ป่าแล้วจะทุกข์ สชั้นไม่เห็นลูกสะพ้ายลูกแล้วก็จะทุกข์กันนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไล่ลูกหนีจากรอกว่าือนกนก็สรุปเป็นเท่านั้นเองทีนี้ถ้าปกติแล้วนะหัวหน้าร้องลูกน้องก็เอามั่งอะนะพวกเหล่าซีพีกัญญาทั้งหลายของพระเจ้ากรุงสันชัยทั้งปวงได้ยินเสียงคร่ำครวญของพระนางผุ้เสด็เทวีก็ประชุมกันร้องไห้บ้างนะเห็นร้องเจ้าเนึองก็หมาโรคนี้มันเหมือนกวัดเหมือนกันนั้นมันติดติดติดดกันสะอื่นกันไปหมดเลยว่าือนน เพราะฉะนั้นส่วนราชบริปรปิจาริกาทั้งหลายในพระราชนิเวศของพระเวสสันดรได้ยินเสียงเหล่าราชบริจาริกาของพระเจ้ากรุงสันชัยร้องให้ต่างก็ร้องให้ระ ง, งมไปตามกันหมดหมดเลยขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ดอกโศกนางโศกแถวแถวนั้นเต้นไปหมดเลยนางคนหนึ่งในราชสกุลทั้งสองที่ ส, ทสา ม, มารถจะทรงตนไว้ได้ไม่มีเลยต่างทอดกายพิไรรำพันดุดหมู่ไม้ รังเนี่ยนะต้องลมย่ำยีแล้วก็ล้มไปตามกันฉะนั้นก็ร้องไห้คร่ำครวญกันเต็มไปหมดพระศาสดาเมื่อจะประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าเหล่าซีพีกัญญา